ซาโนปติปติอิมั ส, สเกวัลสะทุกขกขันตะสะัพันตะกิริยายสัมวัตตุขอให้ข้อปฏิบัตินั้นๆของพวกเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดอย่างกองทุกมาที่นี่กันต้องการทำที่สุดกองทุก ทำจะไหนการทำที่สือแ่งกองทุกจะพึงปรากฏการธรรมชาเหมือนเราได้เข้าเฝ้ารับองว่าจากพระ ศ, ศาสดาบอกเป้าหมายว่าทำยังไงเราจะพ้นจากกองทุก ความเศร้าโศคลำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจผัดพาดจากของรักประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามที่เราปรารถนาคือปัญหาทำยังไงถึงจะออกได้ ก็คิดว่าทางนี้โยน่ะที่เรากำลังเดินกันออกได้เห็นที่สุดทุกั้มเห็นยังเห็นทุกัหมทุกมาไงแล้วต้อออกยังไงจะเห็นยัถทาไมเห็นได้ออกยากนะ เนี่ยมาไม่นานนี่อยู่ที่อยู่ที่ทวัดมีเพศจักรอายุยังไม่ไมไมไมถึงสามเด็เล ย, ยนี่น<ม>ลุงด้วลุงพ่อเขาเขาบวชอยู่ที่วัดนั่นแหละลุงพ่อเป็นข้าราชการเก่าบวชที่วัดตัวเองก็มีปัญหาสุขภาพ<ม>แล้วเขามา คุยปัญหาให้ฟังปัญหาในที่ทางานเขาบอกเขาอยากลาออกจากราชการบอกอยากลาออกนะเห็นไปตัจางคอนบอกทำไมล่ะอยาลาออกนะแม่ก็จะเรียนกูจะสอบแข่งขันเข้ามาได้มันไม่ใช่ของง่ายไงบอกมันเครียดเครียดออกไม่ได้เครียดออ จะบอกต่อไปบอกว่าโอ้โหส่วนมากคุณหมอนี่ก็ทานยานอนหลับกันนะบอกหมอเขาก็บอกชื่อหมอนั้นหมอนึ่นเฟังแล้วตกใจเหมอนเนอะฟังแนละ้วโอ้มันอะไรขึ้นพว ก, กหมอส่วนมากก็จะทานยาทานยานอนหลับมันเครียดไงเครียดจากการงานเครียดจากอะไรนะ คนเครียดต้องอาศัยยานอนหลับยาคลายประสาท ค, ความเครียดก็แสดงว่าทุกข์มาทุกเหมือนกันแล้วทำไงดีเนี่ยเราควนควายดินลนศึกษาเราเรียนทำงานทำทุกอย่างที่ดินหลนไปวั น, ว, นวันลืมเป็นลืมตายแต่เราต้องการตะเกียร์ตะกายออกจากความทุกข์แล้วทำยังไงืมงนะ ทำชนไหนการทำที่สุดอย่างกองทุกจะปากกดคิดว่ามีทางไหนทงที่เราเนี่ยทำให้เราเป็นตัวของเราได้จริงๆอยู่กับตัวเองได้ถ้าเราไม่มาตรงนี้ยมชีวิตไม่เต็มแน่นอนนะมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยกุกคำแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอาลามและโลกะเจดีบ้างเป็นสารณะเป็นที่พึ้น ทีใหม่ที่เตุการ์สาคัญที่วันอะไรทีเราก็วิ่งไปไหวพระเก้่าวัดเขาวิ่งกันไหวกันอนะปีก็ไปวันเกิดที่เคราะห์ไม่ดีก็ไปสะดอกเคราะห์กันเพื่ออะไรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับตัวเอง นั่นบอกบอกนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดครับคิดให่ดีเราไปโรงพ่อไหนดังองไหนครั้งแล้วก็ไปมันก็ได้ในกำลังใจนตรงนั้นรนะู้สึกเออรู้สึกว่าดีขึ้นดีในความรู้สึกเราดีขึ้นดีที่โดยเราไม่รวมดีแต่ก็อะไรมันก็โอสบายใจเนาะเดียวไปไหว้พระ ไปทำบุญเรารู้สึกแต่ว่าเดี๋ยวก็หายบางครั้งก็ไม่ช่วยเราไม่ช่วยเราไม่ได้บอกผู้เจ้านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอังกสษไม่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสาณะอันแล้วไม่คนจับทุกทั้งบ่วงได้แต่ผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราระแล้วเห็นอริยสัจคือความจริง ่ความจริงอ yeah. ันกระเสดสีด้วยปัญญาอันชอบความจริงเกิดหลไรทุกเนี่ยทุกความไม่สบายกายความไม่สบายใจคับแค้นทุกแล้วเหตุเกิดเห็นเหตุไหมคือความปฏิเสธถึงเหตุที่คือเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราภาถนาทรงจิตออกคิดไปนอกตัวทุก เขาเหนเหตุเกิดแล้วมันเรื่องเรื่องยากนะเมื่อเนี้ยมาเมื่อต้นปีอัตมามีโครงการเอาข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติธรรมที่แพร่สิบวันในโครงการมีสามสิบนายแต่ไปทีละสิบนายมีนายตำรวจนะเป็นรองผู้กํากับ ไปเป็นผัดด้วยเป็นพนันตำรวจโทรแนวตมาชื่นใจนะโอ้เขากลับมาเนี่ยคนนุณนายก็บอกว่าบ้านเปลี่ยนไปเลยอายุเพงจะสามสี่สิบตอนต้นเนี่ยผมแต่ว่ามีปัญหาบอกเมื่อก่อนมีปัญหาบอกสามีนะเป็นนายตำรวจแต่ว่าดื่มจัดดื่มเหล้า ดื่มทุกทุกวันและดื่มเหล้าราคาสูงอะไรอะไรเลเจนซี่อะไรก็ไม่ทราบเะเป็นเหล้านอกทุกวัน่ะสองขวดชวนเพื่อนเดืมสามขวดเนี่ยถ้ามีปัญหาบอกมีปัญหาพอขัดใจไปนอกบ้านไปเมาแล้วกล็บ้านเป็นอย่างนั้นแต่มาถามนะท่านลองผู้กง กลับเองก็บอกว่ามันเครียดระบบมันเครียดเครียดจากอะไรไปที่ทำงานมีเจ้านายออทำไม่ถูกใจตำหนิมาเครียดกลับบ้านแม่บ้านบนคุณนายบนอ๋อทาไมับออกจากบ้านกินเหล้า ม, ม, มีเพื่อนดื่มเหล้าบอกเมาแล้วมันลืมปัญหาแต่ว่าเช้าขึ้นมามนปัญหามันเกิดขึ้นมาไหนปัญหาเรื่องเก่าที่รั้ง อยู่แล้วก็เหลาเมาช า, ามาปวดหัวบ่นนินปวกมันทุกข์แต่ไม่สามารถจะออกได้นนเนี่ยนี่วิชานี้อยู่พอไปเรียนเนี่ยเรียนวิชา เ, เดินจงกรมปฏิบัติกิรธรรมเนี่ยสิบวันเปลี่ยนชีวิตได้คิดให้ดีนะ สี่สิบกว่าปีการศึกษาหนะ้าที่กันมาช่วยไม่ได้แต่สิบวันมีความหมายกลับมาเปลี่ยนแล้วหลายหลายคนนะามาโอ้นี่เถทางาสร้างครอบครัวสร้างความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยใครบอกกลับมาตอนนี้ <c oughs> นะเปลี่ยนไปคุณนายก็บอกว่าบางทีพูดบน่นไม่ไปนะ ใจเย็นเปลี่ยนเจ้าได้ก็ชมนะผู้บังคับร อ, องผู้ผู้บังคับการก็ชมตมากับภูมิใจโอ้เนาะเราก็ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้สร้างสังคมมาทาเห็นเขาได้ประโยชน์มาแลรวก็ก็ดีใจนะอนุโมทนา อ, อูเราว่าแตกเส้นทางพิเศษ ซึ่งทางโลกก็หาไม่พบเราสามารถให้ความทุกข์จบตรงเส้นทางที่เราเดินไะจัดการตัวเองได้จัดการวิถีชีวิตเลือกชีวิตได้ในว่าตอนนี้คุณนายเขาบอกเขาอยู่บ้านนะอยู่บ้านก็ท่นน้อง ว, ว่าก็ชวนเดินจงกลมบ้างเดินจงกลมไป อย่าที่เดินจงกรบส่วนบนกันเริญสติกันอ่านธรรมะชีวิตคนเราเกิดมาถ้าที่สร้างฐานการศึกษานาทีการงานเราก็ต้องการสร้างโยงมก็ต้องการสร้างครอบครัวนั่นแหละสางครอบครัวสมบัติทางโลกเพื่อจะเป็นฐานรองรับให้ชีวิตเรามีความมั่นคงเป็นสุขแล้วมันเป็นไหย ที่บ้านหลังใหญ่การงานตำแหน่งก็โตทรัพย์สมบัติก็มีลูกหลานก็มากแต่ว่าเราหาความสุขไม่พบทำไงออาแต่ปรนาไม่ได้เนี่ยยิ่งเราอยู่นานในโยมประสบการณ์นะประสบการณ์หมายถึงว่าจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ยางนึกผูมใจนะเราเกิดมาในเราเจอพระเจ้าเป็นแบบไม่ใช่เรื่องเล็กนะ้อยโยมโยมใบธรรมปัตต์ดูในลำงูออกวิยมมืยใครนนะ่ที่จะได้วิชาอย่างที่พวกเราได้คนเราที่สมบูรณ์จริงๆยงโยมคนต้องอยู่คนเดียวได้นี่มันหลักสำคัญ น, นะหลักชีวิตจริงๆเลยเนะี่ยคนที่จะเข้มแข็งคนที่ จะถือว่าเป็นบุคคลที่แกล่งสมบูรณ์พึ่งตัวเองได้คือคนที่อยู่คนเดียวได้มีใครสอนไหมโยให้อยู่คนเดียวได้เห็นมองอยไ ป, องออไปเลยมองไปเลยมีใครบ้างอยู่คนเดียวได้ทำไมใช้พุทธศาสร์และยากไม่มี ตาต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ไงโยมนะแต่ว่าของเราเนี่ยต่างม่าได้นะหรือไม่ได้ต้องการเติมเต็มตลอดโยมอลองนึกนึ ก, น ก, นกทบทวนดนะิชีวิตเราเดินทางโลกมีเหมือนไม่มีนะยิ่งนานไปนานไปโอ้ยชีวิตมันน่าทุกขสานนะ กออยู่มาก้าอยู่บังเหนวเช้าเดี๋ยวนี้เอานะรงสารไม่เบิกบานเป็นชีวิตแบบคล้ายๆขอโทษเหมือนกับความสุขของขอทานนะเข้าใจไมขอทานคือต้องการสิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้ตลอดเลยเดี๋ยวดูเราเกี่ยวข้องกับนเรามีลูกปีล้าน มีสามีมีภรรยามีอะไรก็แกลแต่แต่๋ยมนะเราต้องต้องการให้เขาหยิบยืน่นหยิบยื่นสิ่งที่เราปรารถนาให้กับให้กับเราเติมให้เราไม่มีใครเติมให้เราเราไม่สามารถจะมีความสุขได้มีลูกตลูกทาถูกใจมีหลานหลานเอาใจมีญาติได้เขาก็ ให้สิ่งที่เราต้องการมันสึกว่าดนะีมีความสุขแต่ว่าเราไม่สามารถจะอยู่ด้วยตัวเองที่มีความสุขด้วยตัวเองได้พรธเจ้าเป็นแบบที่สมบูรณ์อยู่นะเรามีครูที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นมนุษย์ที่เต็มอย่าเแบบพระชาเรา จเจริญพุทธคุณใช่ไหมโ ย, ยมังโลกังสเทวะกังสมาลังกังตะพลกังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารผอมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตากโยธรรมมังเตเตติพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแล้วไพ่เลาะในเบื้องต้นทําการที่สุดทรงประกาศพรห ม, มจาร ประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบั ust, ool, บบติอันบริสุทธิ์บริบูรณ์แบบที่เต็มที่เต็มแบบที่เต็มมีใครทําเต็มในโลกนี้มีใครเต็มแบบที่สมบูรณ์คือพุระเจ้าพระรีเจ้าครูบาอาจารย์เราเป็นคนที่เต็มไง ใ, ในโลกนี้มีใครเต็มมยมมองมาแต่ไม่มีนะ คนเต็มคือตัวคนไม่อยากได้อะไรแล้วพอแล้วคนพอไหมเราใกลยพงพุทธเจ้านะพะพุทธเจ้าพระริเจ้าพรูบ า, เ, า, เ, า, เ, าเป็นแบบของพวกเราแล้วใกลตัวเราเนาะขอโทษเนะยโยมเป็นพื้นฐานกันล้วว่าทมดาเหมือนเราใกลตัวเราที่เรามาปฏิบัติเป็นอาจายามุชาดูลงพระเทียนอายุสี่สิบกว่าปีคนกำลังสร้างฐานนะ กำลังถาหากว่าคนชาวโลกกำลังกาลังรุ่งเรืองนะไหวกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังกาลังเมามันน่นอยู่บางนัน่กำลังเจิญไว <c oughs> แต่ทำไมทิ้งได้ไม่เอาสิ่งที่ชาวโลกเขาขวนขวายดิ้นรนยากได้ ฐานะเป็นเครหาบดีไม่ใช่เรื่องเล็ก น, น้อยมีอนาคตสร้างความเป็นเศรษฐีอะไรท่านได้แต่ว่าท่านทิ้งสิ่งที่ทุกคนควิ่งขวนขวายหาพอแล้วไม่เอาทิ้ง ไ, ได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องเป็นไปนไม่ได้อาตมาต้องบอกว่าวิธีการของบุษยเดชนี่มันท้าทายโยมท้าทายนะไม่ใช่ท้าทายเฉพาะพระะโยมก็ นั่นแหละพิสูจนทางนี้เนรหลายคนนะโยมนะแต่สมาจะพูดอยากจะพูดด้วยด้วยความรู้สึกจริงๆนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็อย่างเนี้ยตอนที่แพรแจงเตียนกลุ่มเนี่ยการเจริญสติ ก็มีขเขายกบุตีอ่อนบวนนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นบวดเป็นพระแล้วเนาะมันก็ฮะบดีมันก็ถือเป็นกระลาบบุตีเลยนะก็ไว้แ้สวาสอิ์ธรรม า, น, ะะานี่พระอํานวยเป็นเจ้าของกิจการอยู่ที่เรื่ชื่ออาจารย์ น, น, น, นะคมับําปฝกที่เขอยู่เะไรเนี่ยเชียงคำเนาะเฮบ้านเียงคํานะ เป็นเจ้าของกิจการร้านเป็นรถขายรถเก่าเกิดพัฒนาชีวิตมาแบบเป็นชาวนานะเป็นชาวนาธรรมดาเข้าไปอยู่ในตลาดตั้งแต่เริ่มซ่อมรถจั ก, กรยานมาซ่อมรถเครื่องมาซ่อมรถยนต์พัฒนาเันไปนจนกระทั้งซ่อมขายรถมือสองเปิดร้านขายอะไรฐานะมั่นคงแม่บ้านเป็นครูลูกชายคนเดียว ซึ่งสร้างฐานะาจะาไม่มีอะไรเนี่ยคนที่เขาเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองสูงมากเป็นคนคิดถึงอนาคตมันไม่ใช่เหมือนเด็กตัวไปนะเขาเป็นคนที่ขวนขวายตลอดสร้างเงนะินนฐานะมั่นคงแต่ด้วยการเจริญสตินะียโยมทิ้งสมบัติออกได้เป็นเป็นเรื่องอัจฉ ร, รยิยนะแล้วมีจริงๆ ไปดูก uhm. ็โย่โอ้ต่มาโอ้ตายเราเจออะไรในยุคนี้โย่คิดให้ดีในยุคนี่กําลังโลกกําลังมืดบอดกําลังมืดเนี่ยมืดตื้เลยมองไปแล้วอโย่คนหลงกันนะ ดูที่มองไลยโยมค น, คนขวนขวายดด่นร่นการศึกษาปริญญาท่วมหัวหเลยแต่ว่าคนมัวเมามัวเมาโยมมัวเมาไม่ ม, ม, มีใครพาเราออกจากเรื่องเนี่ยทุกข์ได้เนี่ยลองแค่เนี่ยโยมศาสรพระพุทธเจ้าแล้วน ะ, ะเราเร า, เราลองดิอย่างที่พระองค์สอมันโลกมันเบาเลยนะ เช้าขึ้มาแล้วอธิวังชีวิตทั้งชีวิตไม่อย่างยืนตัววางเมื่อนำความตายเป็นของอย่างยืนอวสาัมมายาเมริตปังเราตายแน่เวลานี้นงหนาเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาต้องพัดผากจากของรักของชอบใจเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องพัดผ้าเนี่ยโยมพ่อเรสอนนะเนี่ยพ่อเรสอน คนอื่นก็สอนสอนให้สร้างโลกคิดออกไปคิดเหมือนคนอื่นสอนอยโมคิดไปเพราะเราคิดเราทุกเลยมีการแข่งขันดิ่นลนคว้านควายลืมตายโอ้ยไป่อยไก่ดิบเขาคิดเทานโอ้ยโยมทุกเออถ้าเราคิดว่าชีวิตคนเราไม่อะไรมีอะไรแน่นอนเลยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิง่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่พึ้นพะองถึงสิง่งที่ยังไม่มาถึงอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มา พูดได้เห็นตามที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันะแต่เพราะหน้าอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขอยู่ให้สบาย น, านาะนะเราบอกจะไม่ต้องคิดพวกนี้กรรัญญาแม่น า, า, นางตัเวพวก น, นี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเมาไม่แน่คิดถึงพวกนี้อาจจะเป็นพบนางแล้วแล้วก็ได้ยอมอยู่ปัจจุบันไม่ต้อคิดจริงนะชีวิตไม่มีอะไรก็ดูยมมองไม่มีอะไร เป็นสาระที่เราจะไปคาดหวังทุกข์มันเกิดจากเราเนะี่แหละเราคาดหวังมุ่งหมายตั้งเป้าไว้นะทุก ท, ทันทีฉะนั้นทำยังไงดีตรงนี้นะโยมนะปเปลี่ยนได้แนะ่กลับมาหาอยู่กับตัวเองเนี่ยยามพระอํานวยที่คูดไว้เนะี่ยโยมเขา อ, อยู่บ้านนะก่ อ, อนนะออี้ก็จนะออกบทเนี่ยเนี่ยก็มาเจริญสติเนะี่ยเขาได้วิธีไปแล้วก็อยู่บ้านเนะนี่ยเขาติดหมดนะ สติรู้สึกตัวบันไดที่เตืนบันไดรู้สึกตัวเข่าของน้ารู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวเตือนตัวเองออกได้ยอนกลับไปลองลองลองกลับเป็นไปได้นะเนี่ยขอโทษเนี่ยน้านสาวธรรมานั่งอยู่เนี่ยก่อนออกได้หมด แต่เอาไปใช้กับชีวิตในายโนะเนี่ยนานเพราะไปทำอยู่บ้านคนเดียวทําอะไรก็จะจำอะไรก็เอารู้สึกตัวสมมุติจะจมน้ำนายโยมุ๊นี่เนาะเอาจจะดื่มน้ํำน้อยต่อคว้ากินเนะอุ้ยลืมลืมกําหนดใช่ไหมย้อนกลับทำไมทำไมทวนทวนทวนพอทําอะไรเผลอลุกทำเราเผลอไม่ได้กําหนดกลับหม่ทวนไปที่ซับผ้าเอาผ้าไปตาก อ้าลืมเขาวรู้สึกออกมาใหม่เดี๋ยวนองทวนทวนเลยความจริงให้ฝึกฝึกจิตเราฝึกติเราก็เหมือนฝึกเด็กนั่นแหละเหมือนเลยเนี่ยเมือนเวยาฝึกเนี่ยลองนนเนี่ยเนี่ยธรรมบวัดนอนไม่นานกราบสวยว่านี้ <c oughs> เห็นไหมพอเผือกลาววไม่กราบใหม่เอาเลาืต้องทวนอย่างเงี้ยหนักเข้าบ่อยยอมไอ้ความบ่อยเขาเนี่ยจะไม่เคยความเคยชินของเร า, ยาอย่าปล่อยลองเลย เอาเข้าไปในวิถีของเราเนี่ยโยมเออเป็นได้จริงๆนะยอมนั่นแหละทำนั่นแหละนั่นแหละอยู่บ้านจะไม่มีอลไรยมลองไปใช้ทําอะไรมันเผือเอาไมหมทวนไหม่กําหนดก่อนแบบจะลุกเนี่ยรู้ว่านั่นจะลุกลองบอกจะลุกก่อน <c oughs> เอาตัวนี้ก่อนนะจำนะเนี่ยจะลุกครั้งที่จะทำอะไรเนะี่ย <c oughs> พอเรานั่งไหมจะลุกเราบอกตัวเองให้จะลุกแล้วก็ค่อยก็ะ ย, ยับ ให้มีจักก่อนแล้วทุกอย่างก็จะค่อยปรับเป็นไปด้วยเอาเข้ากับวิถีของเราธรรมะธรมะโอ้เป็นไปนได้นะแค่สติก็มีสอนเรื่องสติอย่างเดียวพระเจ้าว่าสติสติสตพระอริยะเจ้ า, าไม่มีอะไรมีสติสมบูรณ์สติตัวเดียว ไม่น่าเชื่อว่าโอ้อานุภาพของสติจะทำให้คนปลดเปื่องออกจากทุกข์ได้มาตั้งแต่เรียนเ็ื่อยบสติสติครับภาดียะพาลหันนี่ไม่มีอะไรไม่สติสมบูรณ์นะนี่ตีบุคคลในยมนะตีนะพาดียบุคคลสูงสุดนะโซดาบันสกีตาการนาคาก็ละหัน ้าบอกว่าเออถ้าเป็นโสดาบันสติยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ปุถชนนี้หลงร้อยเปอร์เซ็นต์ะนะหลงปุถุชนนี้หลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผิดอะไรปั๊บไปเลยอ่ะมันลืมเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรยับยัง้งแต่โสดาบันนี่เอา่ะเริ่มลสติเริ่มปลดความหลงผิดแล้วโสดาบันยี่ห้านะถ้าเป็นสติร า, าคาเขาเอาไม่ยี่สิบห้าเขาเป็นห้าสิบธนาคา เจ็ดส <35 S 2> <l ain> ิบห้าร้ารน้อยเปอร์เซ็นการหลงนี่ผมว่โยมคนหลงนี่หมดเลยไม่มีเรื่องแต่เรามีเนี่ยตัวรู้เพิ่มตัวรู้มากๆเราเนี่ยชีวิตเราจะพ้นจากกองทุกข์ได้แล้วเป็นไปได้อย่างนะ เนี่ยจะเี่ยสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดวิถีของชาวพุทธเราสูงสุดปรารถนาคือเส้นทางออกจากทุกข์แล้วเราเห็นออกได้ไหมเราอย่างออกไม่ได้ก็ต้องดูเห็นดูเพื่อนเพื่อนที่ป่วยโรคเดียวกับเราก็ออกได้ เราจะชาทำไมายงนะเนี่ยจริงๆนินะนี่บางคนในยองเขาเป่วยป่วยหนักเป็นโรคร้ายเนี่ยว่าต้องตายแน่ได้ข่าวว่าหมอดีที่ไหนเขายืมตั้นด้นมาสิงบุรีก็มีหมอหมอต้นหมายก็ดีไม่ลงข่าวปรึกคมมามียาดีรักตาโรคมะเร็งหายโอ้โหคนตันดนมานะต่างประเทศประเทศลาวเข้ามา ความมาด้านดลมาหาแต่ก็หายบ้างายบ้างได้หายทุกคนบางคนก็หายบางคนก็ตายแต่ก็ยังด้านดนมานะ่ะได้ข่าวได้ข่าวแต่พวกเราเนี่ยยมเราปรารถนาคนทุกข์เราเห็นอยู่นะมันเห็นไงเนี่ยโอ้เห็น ในติชี้อยนีไ่ไม่เด่นไปไนอาตมาสร้างอะไรไมาเลยนะโยนอาตมาก็ดูโยมเนี่ยมันมันสร้างกำลังใจนะโอ้ธรรมะเจ้าการจะเดินส ต, ติเกินไหวทำโยมคนทุกข์ได้จริงทิ้งทุกทิ้งเขาเรียกทิ้งปมหลังตัวเองได้ทิ้งโลกทิ้งล้านทิ้งชีวิตเก่าๆได้เปลี่ยนวิธีได้เลยฉะนั้นอาตมาก็อยากจะฝากนะเป็นอาจารย์ยมูชาระะ์ ในพระโกตนานะโยมนะมาด้วยด้วยความศนะรัทธาอาตมา ก, ก็ขอตัวโอกาสเนี่ยบูชาบนะูชาคุณครูบาอาจารย์เฉพาะวิธีการเจเดินสติพอเห็นผลชัดนะโยมนะถ้าเรามีโอกาสได้พ่อพูนได้พออพูนให้ความสนใจใสยใจชีวิตเรานี่มันก็วตัตฏะสองสาร ส, สาราั้นก็ทุกเราไม่ยืดยาวยาเห็นขนาดหมอก็ทุก เศรษฐีก็ทุกเป็นอะไรก็เห็นไม่มีใครบอกว่ามีความสุขเลยนะทำยังไง <c oughs> ในโยมวิชาเมัน <c oughs> ส่วนยอดวิชา <c oughs> มีใครให้เราได้ขนาดนี้แบบแบบแห่งการปฏิบัติแบบใหการดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์บริบูรณ์นอนที่ไหนก็หลับ ทานที่ไหนก็ได้ไม่มีสบายจริงนะคนไม้ก็ได้คนพ่อมก็ได้ตรงไหนก็ได้ยุงไม่กัดวดไม่ควรนอนหลับสบายโยมมีใครสอนคน้าไม่เรียนวิชานี้แม่บ้านตัวเองนี่มันมีจิตนอนเลย ใช่ไหมเคยไหมล่ะบ้านตัวเราสร้างมาสร้างอย่างดีเมื่นคนไม่มีสิทธิน์น้องฮะถ้าเราไม่มีคําสอนพระเจ้ามนวิชานี้นะโยมนะชีวิตเรามีอะไรก็มีไป แ, แต่สิ่งที่จนที่สุดคือความสุ ข, สขไม่มีทางบ้านหลังใหญ่หาที่น้อยไม่ได้นั่งก็ไม่สุขนอนก็ไม่สุขวิ่งสุขนอนทีทิ้งวิก วิ่งซุกนี่ทีเหมือนโน่นแล้วกขอไปเหมันมาที่ห ม, มาที่เรื่อหาที่นอนนะเห็นไหมฮะคนบางคนเป็นกันนะวิ่งหาแล้วก็ไม่มีความสุขโอ้ยบางคนเนี่ยสงสารเนี่ยสงสารไอ้ ค, ความความความความจนของเขาไงมันพยายามแก้แก้ความความร้องของตัวเองเห็นไหมขอคนบ้าของก็เล่นของไป รถกี่คันี่คนออกเต็มเต็มหมดเห็นไหมบางคนรถมันจอดจอดจอดถึงเยอะเขาป่วยทางจิตไย<ม>จริงเนี่ยป่วยนะยมนะเห็นนอยากได้อยากอยากไอเอาสิ่งเหล่านั้นมาเติมให้ตัวเองนั่นแหละเพิ่มคุณค่าตัวเองขึ้นมาทุกอย่างนยมมองแบมองนอก ท, ที่คนที่เพิ่มคุณค่าตัวเองมากนัก้นแสดงว่าจิตใจก็พร้อมเยอะเขาไม่มีความ ความสมบูรณ์ในตัวเองคนยิ่งให้ความสําคัญกับไอ้ปัจจัยภายนอกนะป่วยหนะักเยอะเลยไม่มีทางเป็นคนพร่องมากต้องการให้เขายกย่องให้เขายอมรับด้วยการเครื่องไอ้สิ่งประดับภายนอกนะ่ะมันเกินความจำเป็นไงโยมาสมมุติคนเกินความจำเป็นนะเห็นเลยวโอ้เขาพร่องเขาต้องการเอาสิ่งเหล่านั้นมาเติมให้เขาตัวในตัวเองไม่มี ไม่มีความมั่นใจไม่มีความภูมิใจยมลองนึกสิว่าเราถ้าเราเต็มเนี่ยนะถ้าเราเต็มหมายเรงพอแล้วเนี่ยพอเหมือนทานข้าวเราอยู่เนี่ยเราทางๆานไปพออิ่มแล้วเอาเนี่ยมันไม่เอาละส่งไม่ต้องการแล้วนะจะไม่ต้องการแล้วะพอแล้วอิ่มแล้วพอมาเป็นภาระแล้วไม่เกินความจําเป็นไม่อยากได้ แต่ในขณะที่เรายังไม่อิ่มยังไม่เต็มก็ต้องเติมลาไปก็รองไปเติมไม่เต็มฉะนั้นเรานี่เกิดมาโชคดีแล้วยมนั้นเรามีแบบที่สมบูรณ์แต่มาคิดไว้อย่างนั้นขออย่างเดียวบนกุนศลที่สร้างมาขอให้เราเป็นธรรมาทิตติให้เรามีพระพุทธเจ้าพระรัชเจ้าเป็นเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะอย่ายเราล้มผิดเป็นลูกศิษย์ของคนผ่าน ตอนนี้คนผ่านเขาคลองโลกอยู่นะการศึกษาทุกอย่างแข่งขันกันปริญญานั่นสาขานั่นสาขานี้แต่ว่าหนีออกจากทุกไม่ได้บางทีปัจจุบันน่ากลัวอยู่ผมน่ากลัวมากเลยยกปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งใกล้ตายเนี่ยผมยังเรียนไม่จบเลยห า, าความต้องบไปเห็นนะปัจจุบันเนี่ยวิ่งแข่งกันตลอด เนี่ยตั้งแต่เด็กเริ่มลงเข้าโรงเรียนอนุบาลมีการแข่งขันกันแล้วโอ้ยฟังแล้วน่ากลัวนะน่ากลัวจกนกรทั่งบางทีในจักษียณอายุยังเรียนไม่จบเลยทําอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี่ไม่จบนะในแม่ตามาไม่ได้พูดกระทบกระแทกหรืออะไรแต่ว่าดูสภาพสังคมวิ่งเนะี่ยการวิ่งแข่งขันไม่มีวันสงบก็พบความสุขไม่ได้เพราะความสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี ฉะนั้นโยมเนี่ยเราจะหนีความมุ่นหมายไปทางนี้เนี่ยอย่างใกล้หล ง, งพ่เทียนนะอาจจะเรียบูชาของเราเนี่ยเราต้องรู้ตีว่าหลวงพ่เทียนอยู่ในพื้นฐานเดียวกับเราเนั่นแหละนะพวกโยมนั่นแหละฐานเดียวกันเลยมีอะไรมีมีมีมีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีสมบัติทุกอย่างเมือนโยห่วงเหมือนกันโลกเดียวกันแต่ทําไมเราหอกไ ประกาศบรลลือนะบรลลืนนะตาบัลลูนนะยอมแสดงทำแบบบรลลือนะมึงอย่าพูดนะท่า น, นก็ขออนุญานายนยอมนะต่มมาก็ได้รับนะเกรียบ จ, จากครูบาอาจารย์ท่านอบประโลกให้เป็นประธานจัดงานนะบูชาอาจารย์บูชานะก็ ภมใจนะยมได้รับใช้ได้รับใช้สนองศรัทธาถือว่าเป็นเครื่องสการาบูชาเป็นอาิยาบูชาความจริงเนี่ยพูดก็นายนะงานนี้มาด้วยใจนะมาด้วยศรัทธาตั้งใจมาซึ่งความจริงงานงานในคณะสงฆ์ก็ค้างอยู่บาลเ <c oughs> ขาบาลีกำลังช่วง อบรมบาลีกันจะสอบบาลีกันอยอันนี้นะสอบบาลีอบรมบาลีคือวัดพคุนทองพิคุนทองในเขตจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยทั้งหมดก็สี่ร้อยกว่าลูกประวันชภวนาภากลองภาสมันทําการปิดอบรมแต่มันจะเริ่มมีการสอบกาสอบที่วัดพะนน อันั้นก็วันนี้ต้องกลับก่อนนะยมนะจะ ก, กลับจะมีโอกาสดูโอกาสดูโอกาส ก, ก็จะกลับมาใหม่วันที่ยี่สิบนะก็จะสอบสอบเสร็จวันที่สิบเก้าทำมาได้นะมนไม่รู้จะเป็นอัตโนมัตช้านี้นานนยอมนะก็ขอใช้เวลาให้เป็นกําลังใจกันยมนะเป็นกิริยะาลัทธิการที่กล่าวมานี่ไม่ได้ไม่ได้เสซจักอะไรหรอกมันเป็นเรื่องจริง ตนะาถ่ายเพราะเราไม่มีทางเลือกอยู่เนี่ยมันมีทางเลือกคนในสังคมเขาไม่มีโอกาสดีไม่มีทางเลือกไม่มีครูดีอย่างเราเรามีทางเลือกทางเลือกอยู่นะทุกคนบาถนาความทุกข์อากจะออกจากทุกข์ั้งนั้นแต่เขาออกไม่ได้ในะอย่างที่ร้อโบกับ เทตมาว่าเนี่ยพอเขาได้มีโอกาสเนี่ยมีโอกาสไปศึกษามีโอกาสอยู่กับตัวเองมีโอกาสทนต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยความอดทนที่เราเดินจงกรมฝึกไปเนี่ยเจริญสติยกมือเบื่อก็ทำคิดใหญ่ก็ทำอะไรทำมันทาให้เราเห็นเห็นที่สุดทุกเห็นที่สุดความคิดโอทุกอย่างเนี่ยมีเกิดขึ้นดับไป เราขี้เกียจเราลองทนหน่อยนจเนเจริญสติธรรมเนี่ยอยากอาจารย์ทําไมท่านเอาเอาเราเข้ามาในรวม ก, กันเนี่ยรวมกันเนี่ยเพื่อเพื่อสร้างให้เกิดตะบนะนี่เอบางทีเราอยู่คนเดียวทําลําพังเนี่ยอินทรีย์เราไม่เข้มแข็งพอแล้วก็เมื่อยเหนื่อยพัดอยากหยุดก็หยุดอยากทํำก็ทำไงมันก็ไม่มีตะบะแต่เร า, าทําเป็นบูคคลาเนี่ยเราขี้เกียจเพื่อนทําเราก็ต้องทนทา เราอยากลุกอยากเลิกยังไม่ถึงเวลาเลิกเพื่อนยังไม่เลิกเราก็ทำเนี่ยตัวตัวที่มีกัลยาณมิตรมันจะทําให้เราผ่านนะผ่านอารมณ์วิกิจจากความคิดต่างๆอุปสรรคต่างๆได้ทีเนี้เอาละชีวิตเราพอพอเห็นทานตรงนี้โอ้ที่สุดมันมีที่สุดขี้เกียจมันมีที่สุดของความเบื่อมันมีที่สุดของความคิดมันมีทีนี้ชีวิตเราเนี่ก็เริ่มควบคุมระบบได้เลยระบบได้เลย ถ้าเราไม่เคยฝึกตรงนี้พอคิดอะไรปั๊บมันก็ไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราได้มาฝึกกระบวนการนี้มันจะทันความคิดไม่ถูกความคิดหลอกเราเอาละนะเช้านี้ก็อนุโนานะตาทุกขอมน่าคุณพระศรีรัตนตรยัยอำนาจบารมีกรูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยอภิบันปกปักราาักษาให้เราทุกท่านมีสุขภาพร่างกายเข้มแข็งใใจิตใจมั่นคง มีสติปัญญาสว่างสวัยจเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จในการประกอบสมาอาชีพจเจริญในธรรมที่พระเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้วชอบแล้วประ เ, อรเจอแล้วสุปการพุททเจ้าพระริเจ้ารู้ทำใดประกาศทำใดสแสดงทำใดไว้เพื่อความเป็นสตรีมงคลเพื่อความค้นทุกแกเวไนยตาทั้งหลายคอยเราทั้งหลายมสีส่วนรู้เห็นทำนั้นค้นทุกโดยตัวกันทุกท่านทุกคนเธอ